พิพายตนะเป็นอย่างละสิบหสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่เขียวมีสีเขียวสีเขียวล้วนมีแสงสีเขียวข่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากกามบรรลุปโธมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสส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 เห็นรูปภายนอกที่ขาวมีสีขาวสีขาวล้วนมีแสงสีขาวผมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสังัดจจกกามบรรลุปฐมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะละถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอภิพายตนะเป็นอย่างละสิบหกจบ ยำแนกวิโมก์สามเป็นอย่างละสิบหบสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบเป็นผู้ได้รูปฌปานมีรูปภายในเป็นอารมณ์เห็นรูปสงังจาจ ก, กามบรรลุปฐมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะละถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล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 มนติการวันเกษินว่างามสงัดจากกรามบรรลุปถมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพรรษะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกวิโมกฐานเป็นอย่างละสิบหกจบจำแนกพรห ม, มวิหารฌานสี่เป็นอย่างละสิบหกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนัย โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สระโคดด้วยเมตตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะละถึงอวิเคปะเพื่อเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปแล้ว บรรลุตุติยฌานที่สหรคตรด้วยเมตตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่สหรคตรด้วยเมตตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 บรรลุจตุธฌานที่สหรคโคดด้วยเมตตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรคโคดด้วยกรุณาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 ภาษอาวิเคปะกพเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรโคฆด้วยมุทิตาพรมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะกพเกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะวิตกวิจารสงบพระงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุปถ ม, มชาญบรรลุจตุตชาญที่สหรโคตด้วยมุทิตาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยควจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขได้บรรลุเจตุตตฌานที่สหรโคตยอุบเบกขาพรหมวิหารอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะเพิ่เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกพรห ม, มวิหารราญ4เป็นอย่างละสิบหกจบ จำแนกอสุภฌานาเป็นอย่างละสิบหกสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่สหรโคต ด, ด้วยปุทุ ม, มาตกระสัญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉน โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข ah ้าถึงรูปประพบสังกัดจากกามวรรลุปฐมฌานที่สหรคตด้วยวินีลกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิปุปภกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิชิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิขายิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยวิขิตกะสัญญาที่สหรคตด้วยหะตะวิปะขิตกะสัญญา ที่สหอรโคตด้วยโลหิตกะสัญญาที่สหรโคตด้วยปุรุวะกะสัญญาที่สหรโค ต, ด, ญญโคตด้วยอัถิกะสัญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอสุภฌ า, านเป็นอย่างละสิบหกจบรูปาวจรกุศลละจิตจบ จนคุสลธิจจำแนกอรูปฌานสี่เป็นอย่างละสิหสภาวะธรรมที่เป็นคุสลเป็นฉนหนโยคาวาจรบุคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่มนาสิการนานตสัญญาบรรลุเจตุทะฌานที่สหรโครดด้วยอาการาสานัญญายตนะสัญญาสหารโครดด้วยอุเบขา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสะละถึงอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าล่วงอากาสารนัญจายตนะเสด้โดยประการทั้งปวงเพราะละสุขได้ บรรลุเจตุธชานที่สหรครตด้วยวิญญาณัญจายตนะสัญญาสหารครตด้วยอุเบกขาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาฏะพวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะเกล้าล่วงวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวง บรรลุจตุธาฌานที่สหครคตด้วยอาจินจัญญายตนะสัญญาสหรคตด้วยอุเบข า, ยญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นฉนัยโยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงอรูปภพ เพราะเก้าล่วงอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุทชฌานที่สห ร, รคตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาสห ร, รคตรด้วยอุเบกขาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอรูปฌานสี่เป็นอย่างละสิบหกจบ รุปะวจรกุศ ล, ลจิตจบเตภูมิกระกุศ ล, ลจิตกลางวจรกุศ ล, ลจิตสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิตที่เป็นกลางวจรซึ่งเป็นกุศลสหรรคด้วยสมนัต สัมปยุทธ์ด้วยยานเป็นชั้นต่ำละถึงเป็นชั้นกลางเป็นชั้นปราณีเป็นชั้นทาธิปไตเป็นวิริยาทิปไตยเป็นจิตตาทิปไตยเป็นวิมังสาทิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิริยาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นจิตตาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณี เป็นวิมังสาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีตเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาและถึงอวิเขคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนจิต ท, ที่เป็นกลางวจรซึ่งเป็นกุศลสหรครตด้วยโสมนัสสัมประยุทธ์ด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงละถึงสหรครตด้วยโสมนัส วิปยุตจากยานสหรโคตด้วยสมนัสวิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรโคด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยยานสหรโคด้วยอุเบกขาสัมปยุตด้วยยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรโคด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานสหรโคตด้วยอุเบกขาวิปยุตจากยานเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณี เป็นฉันทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นฉันทาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเกิดขึ้นในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลกรรมวจรกุศ ล, ศ ล, ลจิต รูปราวจรกุศ ล, ลจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงังากรามบรรลุปฐมฌานที่มีปทัทวีคสินเป็นอารมณ์ เป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นชั้นทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นชั้นทาธิปไตยชั้น uh ต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ภาษะอวิเคปะกพ่อเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นทไหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบ ร, งระงับไปแล้วบรรลุทุ ต, ติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุทัชาญบรรลุปโธมชาญบรรลุปัญจมชาญที่มีปัทวิภสิลเป็นอารมณ์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 ภัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลรูปราวจรกุศลละจิตจบรูปราวจรกุศลละจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไน โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่มน า, านัตการนานัตสัญญาจึงบรรลุจตุตชานที่สหรโคตด้วยอาการสานัญญาตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เป็นชั้นต่ำเป็นชั้นกลางเป็นชั้นปรานีเป็นชั้นทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตย เป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตยเป็นฉันทาธิปไตยชั้นต่ำชันกลางชั้นปราณีตเป็นวิริยาธิปไตยชั้นต่ำชันกลางชั้นปราณีตเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีตเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีตอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเขปะโคเกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคะวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะเข้าล่วงอากาสานัญจาญาณะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุทชฌานที่สหรโครด้วยวิญญาณัญจาญาณะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้แล้วเป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นชั้นทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตาตาธิปไตย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 เป็นวิมังสาธิปไตยเป็นฉันทาธิาาปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิริยาทิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นจิตตาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นวิมังสาธิปไตยชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนิด โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากรินัญญาญตนะได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเจตุถชานที่สหรคตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เป็นชั้นต่ำชั้นกลางชั้นปราณีเป็นชั้นทาธิปไตยเป็นวิริยาธิปไตยเป็นจิตตาธิปไตยเป็นวิมังสาธิปไตย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 โลกุตระกุสลจิตสุทิกะปฏิปทามรคจิตดวงที่หนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไฉนโยคาวจรบุคคลเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามและอคติธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญา มีวิตกวิจารณ์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอเกคตาสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธิ น, น, น, น, น, สนสีปัญญินสีมนินสีสมณะสินสีชีวิตินสีอนัญญาตัญญสามีตินสีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภลวิริยะภละสติภะระสมาธิภะระปัญญาภลริริภะระโอตปะภะระอโลภะอโทสะ อ, อโมหะอนัพิชาอพยาบาทสัมมาทิฏฐิหิริโอตปะกายปัตสธิ จิตตปัสสติกายะลหุตาจิตตะลหุตากายโมุทุตาจิตตะโทุตากายกรรมัญญาตาจิตตะกรรมัญญาตากายปาคุณญาตาจิตตะปาคุณญตากายยุชุกตาจิตุชุกปตาสติสัมาชญญะสมถะวิปัสนาปะคาหะและอวิเสปะก็เกิดขึ้นหรือสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูป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 ในสมัยนั้นน an e nei, like ี้ชื่อว right. <im> mm ่า hmm. สัญญาที <im> ่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความจงใจพิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจอันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าเจตนาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหไทยปันระ มโนมนายตนะมนินทร์สีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าจิตที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สามาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรค นับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิจารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความ siblings, ที่จิตสื่อต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์ในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าวิจารที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความอิ่มเอิบความปราโมชความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความเรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีปีติสมโพชงในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปีติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความสาราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สาราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัส กิริยาสวยอารมณ์ที่เป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสุขที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเอกขัตตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ซัดสายสมถฏะสมาธินีสมาธิพละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มรัก นับหนึ่งใ น, ในมัคในสมัย น, นั้นนิชื่อว่าเอกาคตาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัททินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปรงใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งศรัทธาสัททินสีศรัทธาภละในสมัยนั้นนิชื่อว่าสัทธินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิรีนรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน ความปรารบความเพียรทางใจความขมขมเนความบากบันความขนขวายความพยายามความอุสาหะความทนทานความเข้มแข็งความมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินสีวิริยะละสัมมาวายามะวิริยสัมโพชงอันเป็นองค์มร นับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนิชื่อว่าวิรีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสตินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจำความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพละสัมมาสติสติสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้น นี้ชื่อว่าสตินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมาธินสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงมั่นความดำรงอยู่ความตั้งมั่นความไม่ซัดสายความไม่ฟุ้งซ่านความที่จิตไม่ทัดสายสมถะสมาธินสีสมาธิพละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงอันเป็นองค์มัชนับเนื่องในมัชในสมัยนั้น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 ธรรมวิจยะสมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปัญญีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมณีสีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนจิตมโนมานัตหาไทปันทะมโนมนายตนะมณีสีวิญญาณวิญญาณขันและมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันในสมัยนั้น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 ชีวิตินทรียีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนอายุความดำรงอยู่ความเป็นไปกิริยาที่ให้เป็นไปอาการที่สื่อเนื่องกันความดำเนินไปความหล่อเลี้ยงชีวิตชีวิตินทรียีแห่งสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปเหล่านั้นในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าชีวิตินทรียีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอนัญญาตัญญ า, ามตินทรีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไน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 ความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สามมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรคนับนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสมมาวาจาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว <worldwide>. ้นการไม่ทำการไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิด การไม่ล้มเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริตีการกล่าววาจาชอบอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาวาจาที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมากรรมตะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไงความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทําการไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ําเขต การกำจัดต้นเหตุแห่งกายทุจริตสามการงานชอบอันเป็นองค์มรรคนักเนื่องในมรรคในสมัยนั้นน้ชื่อว่าสัมมากัมมันตะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นการไม่ทาการไม่ประกอบการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้าเขตการกาจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพ การเลี้ยงชีพชอบอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาอาชีวะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนการปรารุความเพียนทางใจความขมขมเนความบากบั่นความขนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความเอาใจใส่ธุระวิริยะวิริยินสีวิริ ย, รยพละสัมมาวายามะวิริยะสมโพชองอันเป็นองค์มรรคนับเนื่งในมรรคในสมัยนั้นนิชื่อว่าสั ม, มาวายามะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสัมมาสติที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนสติความตามระลึกความหวนระลึกสติ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 ความที่จิตไม่ชัดสายสมัฏะสมาทินสีสมาธิภละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นศรัทธาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไฉไรความเชื่อกิริยาที่เชื่อความปร่งใจเชื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งศรัทธาสัททินรี ศรัทธาภละในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าศรัทธาภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นวิริยะภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจความขมักขมเณรความบากบั่นความขนขวายความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความมุ่งมั่นอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ท้อทิ้งธุระ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 สมาธินี่สัมมาสมาธิสมาธิภละสมาธิสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรักนับเนื่องในมรักในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าสมาธิภละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปัญญาภลที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นฉไนปัญญากิริยาที่รู้ชักความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะ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 ปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาธิฐิธรรมวิจยะสัมโพชงอันเป็นองค์มัคนับหนึ่งในมัคในสมัยนั้นนี้ชื่อว่าปัญญาพละที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น